เดิมสมัยก่อนก็คงเรียกเป็นต้นไม้อีกอย่างหนึ่งพระองค์ก็ตังพัทยว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคือมันยังไม่รัดกลุ่มพอยังไม่เด็ดเดี่ยวพอพระองค์ก็เปลี่ยนเป็นนั่งขับสมาธเพชรซึ่งพระพุทธโลกสมัยนี้ก็พอจะดูได้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 วันสะพพุทธิจาะนั่งได้ตรัสสูลเป็นสัพพุทธิจารเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธิจาของเราก็ตั้งสัตยาทิฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะเป็นการนั่ง ให้สำเร็จเสร็จขิ้นไปเสียคือมีอยู่สองอาการอาการหนึง่งถ้าหากว่านั่งสมาธิภาวานาจิตใจยังสู้กับกิเลตมาสังขารัมมานไม่ได้พระองค์ก็ตัดสินใจลงไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่ลบจาที่นี้เป็นอันขาด และไม่ไปแสวงหาอาหารและบินทบาทมายิ่งชีวิตถ้าตรัดสลูไม่ลงตัดสลูไม่ได้ยังพ่ายแพ้ต่อกิเลสมาพระองค์ลยตัดสินใจลงไปว่าเราจะเอาที่นี้เป็นที่ตายทางรูปร่างกายถ้าไม่ได้ตรัดสลูเป็นประพุทธเจ้า ถ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้ปรดเวนยศัสตร์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ตัดสินใจลงอย่างนั้นจิตใจก็เรีอยววันแน่วแน่มั่นคงไม่มีการหวั่นไหวไม่กลัวตายเพราะได้ตั้งใจตายียแล้วถ้าใจไม่กลา้าแข็งพอก็ยอมตายในที่นี้แค่หนึ่ง แต่เมื่อตั้งสัตยาธิฐานลงไปกำลังกายก็มีกำลังกำลังจิตก็มีกำลังไม่หวั่นไหวเรียก ว, ว่าธรรมใจของพระองค์เหมือนแผ่นดินวางเฉยได้ทุกอย่างทุกประการเท่นี้พระองค์ก็มากำหนดว่าจะเอาออบายใดมาภาวนาคำว่าพุโทโธพุธโทโธที่เรานึกอยู่เหล่านี้ เป็นเรื่องของพระพุทธทเจ้าได้ตัดสู้แล้วแต่เวลานั้นยังไม่ได้ตัดพระองค์ก็เลือกด้วยนำประตายใจพระพุทธองค์เองว่าจะต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายมัดกิจใจให้อยู่ให้จงหน้า คนเราทุกคนมีลมหายใจเข้าหายใจออกท่านก็เอาลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวว่าลมเข้าไปก็โลว่าลมเข้าไปผู้โลดจากว่าลมเข้าไปนั้นคือสติจิตผู้กําหนดว่าลมเข้าลมออกไม่ให้เปื้อนในสติความระลึกได้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 แต่คนเราทุกคนที่พ้นภัยมานั้นด้วยบุญกุศลพ่อแม่ช่วยดูแลให้เกิสติเอาพ่อแม่เป็นสติสติที่พระองค์เอามาะระลึกว่านี่ลมเข้านี่ลมออกทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ไม่ให้หลงไม่ให้ลืม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 ที่ลมผ่านเข้าไปนะ่ะมันมีจิตใจอยู่ที่รู้นิเอกอะไรมันผ่านไปจิตเป็นผู้รู้ลมเข้าลมออกลมออกลมเข้าพร้อมกันนั้นพระองค์ก็กำนัดอุบายธรรมที่ว่ามรณะความตาทุกลมหายใจเข้าออกด้วย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 เป็นเครื่องเตือนจิตใจของพระองค์ให้สงบระงับจิตใจก็สลดสังเวชว่าคนเราเละสัตว์โลกทั้งหลายความตายมันใกล้อยู่ที่สุดมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกเท่านี้เองจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดมาเบียดเบียนก็ตามถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็ตาย ออกไปแล้วสูรเข้ามาไม่ได้ก็ตายพระองค์กำหนดลมเข้าออกด้วยกำหนดมลณะนะกรรมฐ า, านคือความตายด้วยภายหลังมาเมื่อพระองค์ได้ตัดสรู้แล้วก็เอามาลณะนะกรรมฐ า, านนีม่มาเตือนพุทธบริษัทด้วย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 เรียกว่าสมซาดอยู่ในจิตใจของพระองค์จิตใจของพระองค์ก็สงบสังเวชไม่ฟุ้งซ่านลำคาญเหมือนแต่เก่ามาเจ็บใจก็อนแน่แน่เย็นสบายเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปนาสมาธิเจ็บใจพระองค์ก็เรียกว่าสงบประลับ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 ทั้งมนุษย์และเทวดาอินพรหมไม่ท้อถอยอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริสัท์นั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิให้พากัน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 แต่มาอาศัยอยู่ในลกูกปัจจันคือร่างมนุษย์ร่างกายมนุษย์ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดอกในนี้แรีว่ามีดวงจิตดวงจิตดวงใจนั้นมีอาการอยู่สี่อย่างเรียกว่านามธรรมทั้งสี่เมนาหมายถึงจิตใจ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 สังขารตรงแต่งคิดนึกอะไรต่อมีอะไรอีกก็จิตนั่นแหละเวิญนญาณเมื่อคิดอะไรต่อมีอะไรก็รู้ตามอาการเหล่านั้นชื่อว่านา้ำทำทั้งสี่นี้เมื่อย่อนย่อเข้ามาท่านก็ให้ชื่ออีกว่าดวงจิตนั้นมันมีความรู้อยู่แม้ว่าจิตใจผู้รู้อยู่ ทั้งสีอย่างมารวมมาโลอยู่ตาเห็นโูกก็โลอันนี้หละเป็นผู้โลหูฟังเสียงก็รู้อันเดียวกันจามูกดมกลิ่นดิมนดิ่มรสก็จิตดงเดียวนั้นท่านจึงให้รวมจิตใจเข้ามาตั้งมาสงบอยู่ที่ดวงจิตูลอยู่ดวงจิตูลอยู่นี้ไม่ใช่ว่ามาเทศมาแสดงแล้วจึงมีดวงจิตผู้รู้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 ต่างๆนา น, นามากมายหลวงหลายแต่อย่างไรก็ตามเพื่อว่าอุบายใดอุบายหนึ่งเมื่อเราเอามากำหนดพิจารณาให้ใจเราสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้ก็ใช่ได้ทงนั้นจะกำหนดความตายก็ได้ความแก่ความเจ็บความไข้หรือกำหนดพุทโธธรรมโมสังโฆ อ, อันใดก็ได้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 สี่ห้าปีที่พระองค์มีอายุตั้งแต่วันตรัสโลจนอายุได้แปดสิบปีบริบูรณ์ก็เป็นธรรมดาของสังขารทางหลายเจ็ดสิบปีแปดสิบปีนั้นเรียกว่ามันแก่ชราตามธรรมชาติไม่ใช่เด็กเล็กเกิดมายังไม่ถึงเก้าปีสิบปีตายเรียกว่า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 ในขณะที่เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่ดีสบายยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยได้จึงเป็นโอกาสอันดีเพราะเวลากำลังกายกำลังจิตมีกำลังนั้นทำอะไรก็ได้หมดทุกอย่างจึงควรประกอบกระทำข้อวัดปฏิบัติในทางสมาธิภาวนานี่ให้เต็มที่ มันต้องทาประกอบถ้าไม่ทาไม่ประกอบไม่ได้ดูกิจ ก, กรรมการงานที่มนุษย์คนเราทามาหาเลี้ยงชีพโยในโลกนี้ก็ต้องทาต้องประกอบกระทาการงานนั้นจึงสำเร็จเป็นปัจจัยทั้งสี่รอเลี้ยงร่างกายสังขารได้ส่วนธรรมปฏิบัติก็ต้องตั้งใจขึ้นมาเป็นพิเศษ ในคืนหนึ่งหนึ่งถือเวลาการกลางคืนเป็นหลักในขั้งแรกก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกทุกคืนนั้นให้ตั้งใจไว้ตั้งสัจจะอธิฐานใจไว้ว่าเราจะต้องกราบพระวายพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบริกรรม จะเอาพุโทโธหรือมะลา ะ, ะกรรมฐานลมหายใจได้ทางนั้นอันใดเมื่อเรานึกเจริญแล้วสะดวกสบายในใจของเราก็เอาอุบายนั้นนึกเจริญจิตใจก็เพ่งเลนรวมลงไปโซดวงจิตที่ว่าดวงที่โลอยู่จิตใจดวงที่โลอยู่นั้นไม่ต้องไปหมายที่นั่นที่นี้ อันที่นั้นคือในร่างกายเนี่ยมันอยู่เต็มตัวนั่นแหละแต่ที่ไหนมันก็จิตจิตนั้นเราจะไปหมายว่าอยู่กงนั้นกองนี้ไม่ถูกจิตมันเป็นธาตุนามธรรมอยู่ที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ไม่ติดรับเราต้องแท่งลงไปในจิตใจว่าจุดไหนเป็นจุดโลจุดไหนเป็น ศูนย์กลางเรียกว่าศูนย์ศูนย์นั่งท่าเขียนหนังสือก็เขาเขียนกลมๆวงรอบมาจอดกันเรียกว่าศูนย์ศูนย์ปฏิบัติศูนย์ทํางานอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าจุดหนึง่งในจิตางทุกคนก็เรียกว่าศูนย์รู้อยู่ดวงจิตที่รู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ในใจเหล่านั้นเอง แล้วว่าจุดหนึ่งศูนย์รู้อยู่ที่นั้นเสียงคนเสียงสัตว์หรืออะไรก็ตามจิตดวงนี้เป็นผู้รู้แล้วว่ากลองนี้แหละเป็นที่ตั้งใจลงไปบริกรรมภาวนาพุทโธก็รวมมานี่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนก็รวมมาที่นี่รวมมาอยู่กับใจิตใจดวงที่รู้เนี่ย จนจิตดวงนี้มีสติเต็มที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่เราเลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็เรลิกอยู่ในกายในจิตของเราทุกคนนันเองรวมเข้ามาที่นี้จนจิตใจดวงนี้สงบระงับตั้งมั่นได้รับความสุดสังเวชไม่ลหลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย จ, จิตใจดวงนี้ก็มีสติเต็มที่มีสมาธิมั่นคงมีปัญญาเกิดขึ้นแก้ไขได้ด้วยตนเอง จ, จิตใจของตัวเองจน จ, จิตใจดวงนี้มีกำลังมีความสามารถอาฐารพิจารณาทั้งกายและจิตได้ตลอดเบ้วงลาวภายนอกก็ให้รวมลงว่า ไม่เที่ยงทั้งหมดในโลกเรามาเกิดอาศัยนี่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งนะั้นไม่มีที่ไหนเปิงสุขลงท้ายที่สุดที่เรามายึดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าอะไรต่อมีอะไรนั้นความจริงไม่ใช่ของกายซึ้งทั้งหลายในโลกเป็นของกลางเมื่อมนุษย์ที่เกิดมายัางไม่ตาย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 เป็นธรรมดาสัพพันโยพุทธะจะต้องรู้มากมายหลายอย่างจนกระทั่งนำมาสอนมนุษย์ได้สอนได้ทั้งเทพทั้งเทวดาอินทร์ที่เป็นลูกทิพด้วยแล้วว่าไม่มีหยุดหยอดวันหนึ่งพระพุทธเจ้านั้นทำกิจห้าอย่างตอนเช้าปลดสัตว์ ในทางบินทบะตอนใบบ่ายเย็นเย็นตัดพระธรรมเทศนาสอนญาติสอนโยมตอนพบขําอย่างนี้ก็ประธานโอวาทแก่นักบวชภิกษุสงภิกษุภิกษุณีตอนเที่ยงคืนก็เทศให้เทวดาอินครมที่มองด้วยตาหนังไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าทันรู้ทันเห็น ก็สอนของท่านจยนจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล่าพอจะบอกจะสอนได้ตัดสอนได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไป กิจห้าอย่างนี้เป็นธรรมเนียมของพระพุท ธ, ธเจ้าทั้งหลายที่มาตรัสลู้ในโลกเมื่อท่านตรัสลู่แล้วก็ทำกิจห้าอย่างนี้หรือองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็ตรัสอย่างนี้เป็นองค์ใดที่จะมาตรัสลู้ในโลกข้างหน้าก็มาสอนอย่างนี้แหละสอนให้รู้จักจ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 มันแก่เนั่นคือว่าแก่ชาราแล้วทําอะไรก็ไม่ไหวอย่างคนแก่ชราบางคนจะลุกก็เลยร้ อ, องโวยเสก่อนจึงลุกได้เวลาจะนั่งก็ร้องโอวยเสก่อนจึงค่อยนั่งเวลาไปวัดไปวาก็คนแก่ก็มักจะไปขอยากับพระให้ขอยากแก้ปวดหัวเขาบ้าง มีทุกอย่างนั่นแหละนี่คือว่ามันแก่มันแก่แล้ ว, ย, ย, วยาพยาบาลอะไรก็ไม่ได้ผมก็แก่ฟันก็แก่ฟันแก่คอยยังชั่วทำฟันปลอมขึ้นมาพอได้บดเคี่ยวอาหารตาแก่บางคนก็เจาะตาออกใส่ตาใหม่บางคนก็เห็นบางคนเจาะแล้วก็ไม่เห็น เอาแน่ไม่ได้มีสมาธิมีความตั้งใจมั่นยังได้อยู่จงฤทกครรมถ้าไม่รีกกรรมจะเสียเวลาจะปล่อยให้อำนาจทีเลสความโกรธความโลภความหลงนั้นเป็นใหญ่ในหัวใจของเราแล้วไม่มีเมืองคอมีพุทธเถรพาสิตข้อหนึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ว่า นักตันหาสมานาธิแม่น้ำจะเสมอด้วยตันหาไม่มีอันแม่น้ำลำคลองบึงบางต่างๆยังเต็มในฤดูฝนแต่ตันหาในจิตใจของมนุษย์และเทวดาอินทร์พรมทั้งหลายที่ยังไม่พ้นทุกนั้นไม่มีเมืองของ ได้ยังหนึ่งแล้วก็อยากได้ยังหนึ่งต่อไปดียังหนึ่งแล้วก็อยากดียังหนึ่งต่อต่อไปเล้วว่าตัณหากามะตัณหาความรักให้พอใจภาวะตัณหามีความยินดีพอใจในภพในชาติต่างวิภาวะตัณหาไม่อยากเป็นโน้นเป็นนี้ทำตัวไป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 เมื่อเกิดความคิดความนึกอะไรขึ้นมาแลวมันจะไปตามที่ว่านาทีตันหาสมานาธีแม่น้ำจะเสมอด้วยตันหาไม่มีมันไม่มีที่พอไม่มีที่ตึกที่เต็มเลยว่าไม่สงบเมื่อไดล้าไม่ได้จึงจำเป็นต้องลื้อเริ่มตั้งใจขึ้นมาทีเดียวว่าในคืนหนึ่งหนึ่ง ยังไม่ปล่อยให้มันล่วงเลยไปเราจะต้องกราบพระคายพระนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้มากก็ให้จิตใจสงบระนับลงไปพักหนึ่งคนโบราณท่านสอนอย่างน้อยไ ว, ว้ว่าการทำใจให้สงบนั้นให้ทำเสมอจนอย่างน้อยให้ได้แค่ช้างพับหู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 แต่ว่าไม่ภาคเพียนไม่ทำมีแต่จะเอาให้มันได้ท่าเดียวการถามก็มักจะถามว่าทำอย่างไรใจของข้าพเจ้าที่มันไม่อยู่นี่จะอยู่จะให้นึกอะไรให้เจริญอะไรมีวิธีไหนคือว่าจะรัดเล่งให้มันน้อยที่สุดเป็นคนที่ไม่มีความเพียนหมันขยัน หลักพระองค์นั้นคือไม่ใช่จะเอาแต่ได้่ายเดียวต้องเพียรด้วยเพียรพยายามทำทุกคืนทุกคืนไปเกิดจะเข้าใจเองปฏิบัติได้เองแล้วก็ในความเพียร น, นี้ก็มีพุทธภาสิทธิ์ข้อหนึ่งพระองค์ทรงตัดเลยว่าวิริยนทุกขมัดเจติ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 เราจะต้องภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนจะไม่ประมาทกิเลสมารสังขารละมานมันจะโกหกพกกลมอย่างไดให้เราหลับเรานอนเราก็ไม่ยอมเราต้องทำเสียก่อนแล้วจิงจะค่อยเป็นไปถ้าไม่ทำเรามีแต่ว่าคนสมัยนี้ภาวนานอนไม่ใช่ภาวนานั่ง ไม่ใส่ภาวนาเดินจงกรมเหมือนคนโบราณค้ามาเป็นภาวนานอนนอนท่าเดียวหาลู่ไม่ว่าที่เรานอนนั้นก็คือนอนรอคอยความตายเมื่อความตายมาถึงเข้าเราจะนอนไม่ได้ละถ้าคนเห็นเคยปฏิบัติคนจะตายจะรู้เดี๋ยวก็พุทธลุกเดี๋ยวก็พุทธนอน มันนอนไม่ได้มันนอนไม่หลับดอกเวลามันจะตายนั้นเราอย่าไปหลงมันตามกิเลสมันให้ภาวนานอนนอนมันก็หลับครับมัก็หมดเวลาอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติอันหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องตั้งใจประกอบกระทาให้เกิดให้มีขึ้นการประกอบกระทาให้เกิดให้มีขึ้นนี่แหละ มันจะเกิดมีขึ้นได้ต้องกระทาการงานที่กระทานั่นแหละมันมันสอนในตัวทําไปปฏิบัติไปไม่ท้อถอยมันก็สอนในตัวนานเข้ามันก็เกิดความรู้ความฉลาดรู้เท่าทันในตัวในใจของบุคคลคนขนั้นเรียก ว, ว่าได้ปัญญาเกิดขึ้นด้วยการประกอบกระทา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 เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กาห น, นดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉันลีสปีติโยวิวัตฉันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภะวะ อะพีวาธนาสีริสนิจังวุธาปจายิโนจตาโรโอธรรมาวทันติอายุวนโนโศขังภาลางังขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย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 เมื่อหลับตาแล้ว <c oughs> ก็ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้แก่คำว่าพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามคำนีะให้นึกให้มันได้สามครั้งเป็นเก้าสามสามเก้า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 แต่เป็นพุท ธ, ธะที่ยังไม่ได้ละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปเวลาเรานั่งขัดสมา็ิเสร็จเรียบร้อยท่านให้นึกว่าพุโทโธเอาคำว่าพุโทโธนี้แหละมัดจิตใจของเราให้อยู่ไม่ให้ไปที่อื่น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 ก็ยังไม่เข้าถึงพุทธโธแท้เรีกว่าถึงพุทธโธแค่สมมติว่าพุทธโธพุทโธพุทธะจริงๆมีโย่ในตัวคนเราทุกคนคนคนหนึ่งก็มีดวงใจดวงเดียวนี้แหละเป็นองค์พุทธธโยภายในถ้าดวงจิตผู้รู้นี้ไม่โยในร่างกาย เขาก็เรียกว่าคนนั้นตายไปแล้วถ้าจิตไม่โยร่างกายสังขารของคนเราไม่ว่าเด็กนมแก่ชราอย่างไรก็โยไม่ได้ร่างกายนี่จะเป่วยเน่าพุพังแตกดับไปทีเดียวดวงจิตดวงใจผู้รู้อันนี้แหละ เมอาการโยสีอาจรเวทนาสวยอารมณ์สัญญาจำหมายสงขาญปรุงแต่งคิดนึกอะไรตอนน่อมิอะไรเมื่อคิดนึกอะไรตอนน่อมิอะไรก็มีความรู้สึกตามอาการนั้นๆอาการทั้งสี่นี่แหละรวมเข้ามาให้เชื่อว่าจิตดวงผู้รู้อยู่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 นั่นและให้เชื่อจิตดวงผู้โลยู่ในตัวคนเราตั้งแต่เรามาเกิดในภพนี้ชาตินี้แต่ความจริงคือว่าจิตดวงผู้โลนี่มันมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ในโลกนี้นับไม่ถวนแล้วหมายถึงโลกประขันร่างกายเมื่อไปเกิดเป็นสัตว์สัตว์นั้นจะต้องมีความตาย มาเกิดเป็นคนรูปร่างกายของคนเพศหญิงเพศชายนี่ก็ต้องมีเวลาแตดับตายแต่จิตใจดวงผู้รูกแต่ละบุคคนนั้นมันไม่ได้ตายมันมีมาก่อนพรบนี้ชาตินี้มาตั้งแต่อนเนกชาต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 โูปร่างตัวตนสัตว์บุคคลมันแหละมันเกิดมันตายเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่โูปร่างกายมันแตกได้ดับได้แต่จิตมันไม่แตกไม่ดับพอร่างกายสังขาร น, นี้ใช้ไม่ได้มันขุนหนีหนีออกไปที่อื่น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 ส่วนกิเลสความโกรธกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลงอันใดที่มันมีอยู่ในตัวในใจของเรานะั้ให้พากําเลิกละออกไปความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราต้องเพียนพยายามเลิกละออกไปอย่าให้มันยึดมั่นถือมั่น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 ทำใจให้เฉยๆไว้อย่าไปมโมยดมัวถือถ้ายึดถือมากเท่าไรทุกก็มากเท่านั้นถ้าไม่ยึดถือเสียเลยจิตก็สบายพุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธจนนอนหลับหลับไปแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็พุทโธต่อมาอีก หัดจิตกลงนี้ให้มันสงบตั้งมั่นอยู่ในใจอยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจนจิตใจดวงนี้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาดีแล้วเมื่อใดจึงจะได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาว่า นามหมายถึงจิตลูกหมายถึงตัวลูกนามกายใจตัวตนบุคคลเหล่านี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกเป็นอนัตตาคือที่เราเยึดมั่นถือว่านวาเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ได้เป็นของแปรธาตุดินมันเป็นของใคร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 ลมมันพัดผ่านไปมาอย่างไรมันก็เป็นลมพัดผ่านไปมาของเขาอย่างนั้นเองเขาเป็นเพียงธาตุที่นี่มนโนธาตุยิดใจเราผู้ภาวานานี้จะต้องมาสงบตั้งมั่นในบริกรรมในเมตบริกรรมภาวานาให้มันหยุดอยู่ได้ แล้วจึงจะได้ความรู้ความเข้าใจขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเราเยึดถืออยู่มันเป็นความหลงของจิตที่เป็นมาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติมนท้วนแรกเกิดมาพบใดชาติใดมันก็มาทุกมาบนเพื่อลำเลียเป็นทุกขเป็นรอมอย่างนี้แหละ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 สมัยขั้นพุทธการสมัยพระพุทธเจ้าคนร้อยปีคนร้อยี่สิบปีทั้งคนทั้งพระสงสามมันนา อ, อายุท่านยืนพวกเราเกิดมาสมัยนี้อายุไม่ค่อยจะยืน ไม่นานก็ได้ข่าวคนนั้นตายแล้วคนนี้ตายแล้วบางคนเกิดร่วมพ่อแม่อันเดียวเก้าคนสิบคน11่สิบเอดทิบสองคนก็ยังมีตายไปหมดยังเหลือแต่คนเดียวมีบางคนก็ไม่มีเหลือเนละคือว่าอัปปังชีวิตต่ชีวิตมีเป็นของน้อย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 เพราะธาตุแท้ของรูปนามกายใจตัวตนคนเรานั้นมันเป็นธาตุทุกข์กองทุกข์นั่งเป็นทุกข์ในนั่งนอนเป็นทุกข์ในนอนยืนเป็นทุกข์ในยืนตนรอจนถึงวันตายก็ทุกข์ในวันตายก็ตายไปตายไปมันไม่ใช่วันแล้วมันไม่แล้ว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 มีความสละเสษฐานที่ไหนก็ต้องมีความนินทาที่นั่นมีความสุขกายสบายใจอันเป็นโลกีที่ไหนที่ด้านมันก็มีความทุกข์มันไม่ใชุ่ขอย่างเดียวมีลาก็ต้องมีการเสื่อมลามียศมีชื่อเสียงก็ต้องมีการเสื่อม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 นึกน้อมภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกจมจิตใจสงบหลังรับเยือเกเย็นสบายได้จึงจะมีความรู้พิเศษเกิดขึ้นในกายวาจาจิตนี้เองแต่ถ้าปล่อยปละละเลยไม่มีสติความรอลึกได้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 ธรรมโมพระธรรมประโยชน์ที่จิตสังโครพระสงฆ์สาวกประโยชน์ที่จิตก็คือจิตใจของคนเรานั้นเองพ <c oughs> ระพุทธประโยชน์นั้นถ้าภาวนาละกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโลภได้ละกิเลสความหลงได้คนเราทุกคนก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้จริง แต่ น, นั้นในตัวคนเราก็พระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองแต่ต้องทมต้องปฏิบัติภาวนาอย่าไปนิ่งนอนใจยอย่าไปสบายแล้วก็อยู่เฉยเฉยไม่ภาวนาไม่ละกิเลสความโกรธห ล, ลงไม่ได้เพราะกีแลกความโกรธความขัดเคืองในจิตนั้นมันมีอยู่ทุกตัวสัตว์ทุกตัวคน